สยังก็ได้แปลว่าไปเองคาว่าทำทั้งปวงก็ตัดรู้ใยธรทำทั้งปวงแล้วก็ได้ด้วยพระองค์เองเนะไม่มีอาจารย์ที่ท่านใช้คาว่าอาจารย์ของเราไม่มีนะดูก่อนพรามที่ท่านบอกทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้ทำให้รู้ยิ่งแล้วทำที่รู้ยิ่งด้วยยานอนนวิเศษคือวิชาและวิมุตตเนี่ย